ขอความเจริญในธรรมจะมีท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงจะนำเสนอกรอบของคำว่าความเพียรี่ชั่นท่านท่านใช้โดยชื่อแล้วเนี่ยนันมีความหลากหลายออกไปก็ปรากฏในอัตกถามาหาสติปัฏฐานในสูตรเนี่ยพ่อไว้ตั้งสิบกว่าข้อนะแต่ว่าถ้ากล่าวโดยเนื้อหาสาระ โครงสร้างของความเพียรก็คงอยู่แนวเดิมในจะเรื่องอะไรมันก็อีกเรื่องหนึ่ง mm hmm. เช่นสมมติว่าโรคเนี่ยมันก็มีอยู่สี่ลักษณะคือโรคที่ยังไม่เกิดทำยังไงจึงจะใช้ความพยายามป้องกันโรคที่เกิดแล้วก็ใช้ความพยายามในการบำบัดไอภูมิดานทานโรคที่ยังไม่เกิดก็ต้องพยายามสร้างให้เกิดขึ้นภูมิตอนทานโรคที่มีอยู่แล้วก็พยายามรักษาไว้มันก็อยู่ในโครงสร้างเนี่ย คือโครงสร้างโครงการป้องกันการบำบัดการบำรุงการรักษาแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องปฏิบัติให้เหมาะควรแก่กรณีดัง น, นั้นเช่นสมมติว่าข้ศึกมันรุกมาถึงหน้าบ้านแล้วนะฮะเราจะเตรียมป้องกันป้องกันอะไรได้ตรงนี้มันต้องขจัดแล้วมันไม่ใช่เรื่องป้องกันก็เรียกว่า ปฏิบัติธรรมไม่เหมาะควรแกร่กรณีนั้นั้นที่ท่านใช้คำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมแล้วข้อต่อไปนั้นก็คือวิริยังเป็นลักษณะของความองอาจกล้าหาญเชื่อมั่นในตัวเองสูงท่งานวังเคยสังเกตไหมว่าเวลาเขาเรียกพระเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยก็เรียกว่าสมณศักยบุตร แปล ว, ว่าสมณะผู้เป็นบุตรของสักกยะที่จริงพระพุทธเจ้าทรงเป็นสักกายบุตรแล้วพุทธสาวกทั้งหลายทุกสิทธ์ทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับลูกพระพุทธเจ้าเพราะฉะั้นคนสมัยนั้นก็เรียกว่าสมณะสักกายบุตรคําว่าสักกะหรือสักกาะเนี่ยแปล ว, ว่าองค์อ่าน เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วกล้าหาญไม่วันไหวไปตามกระแสอารมณ์กระแสสังคมกระแ ส, ส, ะแสอะไรก็ตามแล้วก็ฝึกปลือตัวเองเพื่อก้าวไปอยู่ในจุดตรงนั้นพอถึงจุดนั้นจึงอุปมาให้เห็นลักษณะของความกล้าหาญกล้าหาญที่ลักษณะกว่าใกล้ๆกับอะไรพัดผันมาจากทิศใังไงก็ตามไม่สามารถทำลายได้ อาจจะอ้างภูเขาศิลาแท่งทึบซึ่งไม่หวั่นไหวจากลมซึ่งพัดมาจากทิศทั้งสี่เป็นต้นเนี่ยแต่บางครั้บางคราวมันไปเจออุปสรรคมันเหมือนกับชาวนาไถนาอย่างปัจจุบันในรถแทรกเตอร์นี่รู้สึกจะอุปมาได้ง่ายดีสมัยนั้นมันก็พูดถึงผ่านถึงผ่านไถเวลาไถชาวนาไถนาไปมันเจอก้อนอิ ก, ก้อนหินมันเจ อ, อตอไม้หรืออะไรเนี่ย และตัวผานจะต้องมีหน้าที่ในการขจัดสิ่งซึ่งขัดขวางตนดูบางคร้งบางคราวอาจจะลงมือจนถึงก็คุดขึ้นมาเป็นต้วนวันเดิมทีเดียวเนี่ยเราก็เรียกว่าวีริยะและ้วมากลายเป็นวีรชนวีระวีรชนก็คือคนที่ราหารนั่นเอง ก็าตามปกติแล้วคนเราจะยอมสยบ ก, กับอำนาจฝ่ายต่ํายอมสรบหยกกับกิเลสพระกิกเลสเขาปรากฏตัวในรูปเป็นมิตรมันก็ซิบใจมันก็ซิบก็ะซาบบางครั้งท่านเรียกว่าชับป่าแปลว่าตันหาผู้กระซิ บ, บเวลาเขาก็ะซิบเนี่ดีทั้งนั้นนะนะหมายความว่าถ้าเราดูในขณะนั้นทําตามเขาี่เราสบายเช่นสมมุติว่า นึกจะไหว้พระสวดมนต์กิเลสก็กระซิบบอกไม่ไหวหรอกวันนี้เหนื่อยยกมือไหว้ก็พอแล้วไม่ต้องไปไหว้พระสวดมนต์หรอกแต่ถ้าใจมันแข็งหน่อยก็ต่อรองลงมาว่าไหว้เฉยๆจะไม่ต้องสวดมนต์หรอกทีนี้ถ้าใจมันแข็งกว่านั้นคือไม่อ่อนไหวกว่านั้นเราก็รักษาทั้งไหว้พระทั้งสวดมนต์เอาไว้ จะแถมไปนั่งสมาธิจเจริญกรรมฐานเอาด้วยก็ได้ปัญหาสำคัญว่าในขณะที่ตัญหามันกระซิบใจเนี่ยกิเลสมันกระซิบใจเรารู้หรือเปล่าว่านั่นคือกิเลสนั่นคือมารที่สังหารวใจเราถ้าไม่รู้มันก็ไหลไปได้ง่ายเพราะพวกนี้จะปรากฏในรูปเป็นมิตรมากอ่อนโยนมากสุภาพมากดีมากนะกิเลสเป็นผูปกซิบเนี่ย ถ้าเราไม่คิดในรอบครอบเลยมันดูดีด้วยกันสบายดีมันต้องทำอะไรเจริญจะไหว้พระอาจจะต่อรองมาึงนอนไหว้นะฮะยกมือข้างเดียวแล้วก็ไหว้หรือบางทีก็อาจจะนอนไหว้เอาหรือว่าต้องการจะเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยก็ต่อรองจนนอนสมาธิเลยแตวถ้าเราไหลาตามไปแล้วก็เอาจริงนะฮะนอนสมาธิอาจจะภาวนาได้คําต้องคําเลยละเรียบร้อยไปเลย บอนถ้าจิตใจของบุคคลอ่อนแออ่อนไหวไปกับเสียงกระซิบใจหรือไปกับตัณหาพวกกระซิบใจแล้วจะมีปัญหาในภาสนามและคาคำนี้ท่นานใช้อีกคำหนึ่งว่าวิรยินสยังคือมีความเพียนเป็นใหญ่เป็นประธานสามารถจะขับไล่ความเกียดคร้านต้องๆความเกียดคร้านต้องๆก็คือที่เราเกียดคร้านกันทั้งหลายเนี่ย โดยเจ่นว่าก็มีอ้างอะไรกันเยอะอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างหิวอ้างกระหายอ้างเช้าอ้างสายอ้างบ่ายอ้างเย็นอ้างปวดหัวปวดท้องอ้างไม่มีเวลาอ้างฝนตกแดดออกคืออ้างอะไเรื่อยแต่วบางทีเนี่ยมันอ้างค่อนข้างน่าเชื่อนะเช่นสมมติว่าแม้งานยุ่งจังงานปุกปันจัง เราก็ฟังบ่ามันงานเยอะเหลือเกินแล้วก็เห็นใจรถติดอย่างเงี้ยมาทํางานไม่ทันนัดหมายไม่ได้มาไม่ทันตามที่นัดหมายบอกว่าแม่รถติดจังวันนี้ไม่สาบเป็นอะไรท า, ทางที่ตัวเองออกออกช้านะฮะคือแม่จะรถไม่ติดมันก็มาไม่ทันอยู่แล้วแต่ว่าพวกนี้มันจะกลายเป็นอ้างแล้วก็ประสบความสําเร็จ บาลีมีคำอยู่คำหนึ่งเรียกว่ามหาโกสัชชะคือความเกียดคร้านขนาดหนะักขนาดใหญนะ่พูดกันจนไปที่ยอมรับไม่มีเวลามีเรื่องมีงานมากมีรถติดปวดหัวปวดท้องพวกนี้พิสูจน์ไม่ได้จะจะนาไปอ้างเพราะงั้นวิดีินรีนี่เขาต้องเป็นใหญ่แล้วก็ขจัดพวกนี้ออกไป ไม่ว่าจะเป็นอกุสนสลที่มากหรือน้อยก็าตามแล้วก็โดยหลักการในการใช้ความเพียนเนี่ยท่านก็บอกว่าบุรุษพึงใช้ความเพียนไปจนกว่าจะสาเร็จประโยชน์ตามที่ตนต้องการอีกคำหนึ่งก็พอหมายเดียวกันฮนะคือพึงสังเกตวิริยะในในทำห้าข้อทำหลักห้าข้อเนี่ย ทรงเรียกอินทรีย์บ้างทรงเรียกว่าพะละบ้างตอนบางครั้งก็เรียกว่าวิริยพะละหมายความความเพียรมันมีพลังขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะขจัดขับไล่กิเลสทุกระดับนะเริ่มจากห ย, ยาบๆไปก่อนคือกดดันความหยาบของกิเลสหยาบของโลภะหยาบของโทสะห ย, ยาบของโมหะเนี่ย ให้มีกำลังเ่าลงไปจนแสดงออกมาไม่ได้กรณีเราสังเกตเราบางครั้งก็เกิดขึ้นมาเนี่ยเจะสมมุติว่าเกิดโลภะขึ้นมาไปเห็นของก็วางไว้ค่าหล ร, ราคาค้า ง, งวดก็ค่อนข้างมากแต่ว่าภายในใจเราก็มีมนุษยธรรมอยู่ตอนนี้มันจะมีการชักทะเยอะกันเป็นการใหญ่ต่อสู้กันบางแล้วบางทีก็หยิบ แล้วก็วางวางแล้วก็หยิบหยิบแล้วก็วางนะก็แสดงว่ากั้มกึ่งมากแรงต่อสู้นี่กั้กึ่งกันจุบ้างอะไรมากกว่าล่ะถ้าหากว่าความโลภมันมากกว่าก็กลายเป็นอนาทินย์นานแสดงว่ากิเลสมันล้นออกมากความโลภมันล้นคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่การประพฤติก็เราก็เป็นทุจริตจะเป็นอาทิตนาทานแต่ถ้าความโลภมัน แพ้เราแม้แต่จับเลยยังไม่จับเลยจับของนั้นก็จะไม่จับเรื่องจะดูด้วยความชื่นชมก็ดูได้แต่ว่าจะไม่คิดอยากได้อย่างน้อยระดับนี้กุศลกรรมบุตก็หนักแน่นขึ้นเนยอะเลยเพราะแนวพระเนี่ยเป็นเรื่องของการพยายามเพิ่มกุศลขึ้น ภายในใจทั้งหลายที่ท่านใช้รวมๆ ว, ว่าจเจริญกุศลซึ่งก็คงอยู่ในกรอบเดิมหมาความว่าป้องกันบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดเอาไว้แล้วก็วิเคราะห์ตรวจสอบดูสภาพจิตตัวเองให้ชัดเจนดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแล้วก็พยายามลดละ ความไม่ดีต่างๆ อ, ออกไปจากใจถึงจุดหนึ่งก็พยายามเพิ่มพูนกุศลความดีให้สูงขึ้นคือเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยราจะเห็นว่าบางครั้งนี่ปีนภูเขายังง่ายกว่าปฏิบัติธรรมเลยธรรมะบางอย่างเนี่ยใค้เกิดขึ้นก็ยากท้นทีให้ดำรองอยู่ได้นานๆก็ได้เต็มที เรียกว่าลู้อำนาจแก่อารมณ์ที่มากระแทกกระทันใจพอถึงจุดหนึ่งก็บรรยาบญรยงไว้ไม่อยู่คือห้ามจิตไว้ไม่ได้แล้วก็แสดงอาการลักษณะทางอารมณ์ออกมาทีก็อาจจะนับหนึ่งถึงสิบแล้วได้ําไปก็นับไปนับมาก็ไม่ได้เรื่องเพราะอะไรเพราะพลังฝ่ายกิเลสเนี่ยเขาแรงที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่ากิเลสเนี่ย มันมีเชื้อกระตุ้นมาจากข้างนอกอยู่เรื่อยๆซึงมันผีกะธรรมะธรรมะโอกาสที่จะมีตัวกระตุ้นนี่น้อยดูข่าวทางโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์ความวิทยุหรือแม้แต่สนทนากันให้เอาสังเกตว่าคนเราจะสนทนาที่เป็นกิจลักษณะนี่ยากจะไม่มากหรอกส่วนมากแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไร้สาระ หรือว่าถ้าสนทนาที่เป็นเรื่องเป็นราวมันก็มักจะมีความขัดแย้งเช่นการอภิปรายของสภาหรือการประชุมกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจะพบว่าโอกาสที่จะประนีประนอมกันโอกาสที่จะประสานประโยชน์กันเนี่ยจะยากเพราะว่าแต่ละคนก็มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตนตั้งใจเอาไว้ หรือบางครั้งบางข่าวก็จะเตรียมเอาไว้ก่างกรดูข่าวจะทำให้ไรให้เราหน้าคิดเนี่ยนะฮะข่าวก็บอกว่าวุฒิสภาวุฒิสมาชิกเนี่ยวุฒิสมาชิกอะไรร้อยยี่สิบกว่าคนน่ น, นะท่านก็ไปชุมกันเป็นการนัดหมายแบบสังสรรค์กันพอเริ่มประเด็นอภิปรายขึ้นไปมากนปรากฏว่าแตกไปตามพื้นฐานของแต่ละท่าน ผอสสเก่าก็ไปอีกกลุ่มหนึ่งความคิดจะค่อนข้างเป็นเป็นแนวเดียวกันสายนักวิจ า, ารณ์ก็จะไปอีกกลุ่มหนึ่งสายข้าราชการประจําพวกผู้ว่าพวกอะไรอะไรนะ ก, ก็อยู่พักสนามอย่างหนึ่งก็จะไปอีกกลุ่มหนึ่งพวกนักวิจ า, ารณ์เนี่ยก็เก่งตำหนักตรราก็ไปสายหนึ่งพวกพ่อค้าเมืองหลังเว้นพ่อค้าก็จะไปสายหนึ่งก็สรุปว่าตั้งห้าหกกลุ่ม เอาจริงแล้วคนร้อยี่สิบกว่าคนเนี่ยกระแสะความคิดมันแตกออกไปประมาณสักหกกลุ่มนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าโดยพื้นฐานจริงๆนี่จิตใจของคนแต่ละคนมันมองภาพเดียวกันเนี่ยแต่มองคนละพื้นฐานกันเพราะอะไรเพราะชีวิตประจำวันของแต่ละคนนั้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นในคนละด้านหรือคนละมุมคนละกรณีกัน มันจะปรับให้ตรงเนี่ยปรับความคิดความเห็นควงคุให้ตรงให้ลงตัวกันถึงปรับยากถ้าปริมาณของกุศลและธรรมไม่เข้มข้นพออย่างในกรณีขัดแย้งก็อย่างนั้นนะฮะในสุดมันต้องสลัดในความรู้สึกตัวเองออกมาหมดแล้วก็ดู ด, ดูสิวรรธปรนูดเนี่ยเขาว่าอย่างไงเอาตัวตามตัวอักษรไปเลย ตามเจตนาอารมณ์ด้วยตามตัวอักษรด้วยถ้ายัางไม่มั่นใจก็คงจะต้องอาศัยศาสตรและบรนตีความให้แล้วก็ชี้ขาดนะไมันจะตีความเลยชี้ขาดลงมาว่ามันควรจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าใช้อารมณ์ใช้พื้นฐานความคิดเห็นก็จะต้องเป็นความขัดแย้งแน่นอนแล้วหามติเอกฉันยากเพราะเสียงนะฮเพราะเสียงมาก จนสมมติว่าเกิดมีมติว่าประชุมได้โดยจํานวนเท่าที่มีอาจจะอ้างว่าระเบียบในการประชุมนั้นก็สมาสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งก็ประชุมได้แล้วแล้วเกิดประชุมขึ้นมาแล้วเกิดตีความมอผิดแระตํานุนทีนี้ยุ่งตายเลยเพรา ะ, ะเรื่องเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องที่อย่ต้องวิ่งเข้าหากฎเกณฑ์เท่านั้น แต่ว่าการที่สังคมมีกฎเกณฑ์มากเนี่ยมันไม่บางครั้งก็ไม่ได้หมายถึงสังคมมันเจริญก็อาจจะหมายถึงว่าสังคมค่อนข้างจะอาศัยช่องว่างของกฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือในการสแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองก็ได้เความสํานึกลึกๆในการตัดสินวินิจัยท่านจึงมองไปที่ตัวทํานองของธรรม รือหมายความว่าอาศัยตัวทำนองครองธรรมนีเป็นเกณฑ์เป็นมาตรเป็นเครื่องวัดว่าถูกต้องตามทำทนองครองธรรมหรือไม่ความเพียรในประเด็นสุดท้ายคือในข้อข้อสุดท้ายได้แก่ข้อที่สิบเจ็ดเนี่ยท่านก็บอกว่าสัมมาวิยมะนะสัมมาวยามิยโมก็คือความเพียรในทางที่ชอบ อย่างที่บอกไ้แล้วว่าความเพียนก็คือเรื่องของความเพียนเพียนแต่ว่าใช้ให้เป็นย้ายเป็นลักษณะของคนโง่ที่ขยันแต่ความเพียนบางอย่างก็มีปัญหาเหมือนกันนะคนขยันบางอย่างนานมาแล้วก็ยังนึกนึกขำที่กุฏิหลวงตาองคน่ก็มีต้นไม้ต้นปี๊บขนาดหญาดร่มเงาครึมเวลาดอกโปรยลงมานี่ยก็เยอะเลย วันหนึ่งก็ไปกุติท่านปรากฏว่าคนก็รานกิ่งหมดเลยแดดก็ส่องเข้าไปถึงข้างในเดยาถามท่านเอาลงตาทำไมไปให้เขาตัดกิ่งไม้ทำไมบอกไม่ได้ตัดท่านไม่ได้อยู่กุติให้ลูกศิษย์มันคี้เกียดแต่กวาดดอกที่มันร่วงมนเกิดกลายเป็นคนโง่ขยันขึ้นมาก็เลยขึ้นไปตัดหมดเลย เห็นได้เห็นได้ชัดว่าปัญญาเนี่ยจะต้องเข้ากำกับหมดทุกเรื่องเพราะนักฟังจะสังเกตว่าแนวการเรียงพวกุศลธรรมส่วนเหญเนี่ยพระเจ้ามักจะใช้ศรัทธาหรือใช้ปัญญานำถ้าศรัทธาอยู่ที่หัวเนี่ยปัญญาจะอยู่ที่ปลายหรือแม่งก็ใช้สตินำเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไมาอย่างนั้นมันมีปัญหาในภาคของการปฏิบัติ แต่วความเพี่ยนพยายามเนี่ยมันมีถูกก็ได้ผิดก็ได้เนี่ยเราปฏิเสธว่าเขาไม่เพี่ยนพยายามไม่ได้เช่นสมมุติว่าขาโมยพยายามเจาะเซฟธนาคารอยู่ตั้งคืนจนกว่าจะประสบความสําเร็จเนี่ยถามว่าเขามีความเพียยนไหมก็มีความเพียนนะแต่ความเพี่ยนนั้นมันเป็นความเพี่ยนผิดก็เรียกว่ามิจฉาวายามา วความเพียรที่เน้นในที่นี้จึงเน้นไปที่สัมมาวายามะคือความเพียรพยายามในทางที่ชอบแล้วเมื่อเพียรพยายามไปแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทางจิตใจของตัวเองเวลาทรงใช้ทรงอธิบายในกรอบของคําว่าสัมมาวายามะจริงๆนะฮะทรงใช้คําว่าฉันดังชนเนติคือให้ปลูกฝังความพอใจวายามติ แล้วก็ใช้ความพยายามวิริยังอารพติปรารบความเพียรจิตตังบังการณติคือประคองจิตเอาไว้รับความเพียรมันเดินมาได้ถึงจุดไหนแต่สัมผัสผลอย่างไงก็ตามให้ประคับประคองรักษาจิตเอาไว้แล้วก็พยายามต่อไปมันจะมีลักษณะเหมือนกับการทำศึกสงครามนะะ เป็นสงครามภายในในนาจักของพญาจิตราดในอาจักของใจเนะี่ยมะแล้วก็ต่อสู้กันผลักกันแพร่ผลักกันแสดแต่ว่าเมื่อใครยึดได้รุกได้เนี่ยต้องยึดครองพื้นที่เอาไว้ด้วยจะสมมติว่าความเพียรพยายามละความชั่วขนาดหนึ่งระดับหนึ่งนะฮะจะมีปณิธานแน่วแน่ ว, ว่าเราจะ ไม่เป็นคนอากาศัญโยแล้วจะพยายามกระตะเวทีคือตอบแทนคุณความดีของบุปการีของเราเต็มตามกำลังความสามารถพยายามรักษาตรงนี้เอาไว้ถ้าก้าวเพิ่มขึ้นได้เท่าไรก็ยิ่งดีแต่ถ้าก้าวไปไม่ได้ก็ขออยู่ตรงนี้นั่นก็แสดงว่าไม่ถึงกับ ชนะเด็ดขาดแต่ก็ไม่ถึงก็ถอยรน่นการเดินกุศลบางอย่างเนี่ยมันเหมือนใครคือเกาแผลคันก็ดีกว่าไม่เกาะนะนการขึ้นมาก็เก่าพหลังคันใหม่ก็เก่าใหม่แต่ว่าการทำอย่างนี้มันก็ไม่หายหรอกทำยังไงว่าจะพยายาม ประพฤติปฏิบัติเติมเติมขึ้นไปเรื่อยๆก็ในโครงสร้างของการป้องกันอะไรก็ตามที่เห็นว่าเป็นถุกเป็นภั ย, เ ป, ภยเป็นโรคเป็นอันตรายเป็นลุมบ่ออุปสรรคขหักน้ำอะไรก็ตามคือสรุปว่าไม่เกิดประโยชน์แก่เราอ่ะก็พยายามป้องกันไว้แต่ในขณะเดียวกันโทษมันประจักอยู่แก่จิตในขณะนั้นนั้นแล้ว ก็เพียรพยายามลดหลั่งเต็มตามกำลังความสามารถแต่ใ น, นส่วนของความดีงามที่เห็นเขาทาเห็นได้ยินเขาพูดเห็นคนประสบความสําเร็จมันมีตัวอย่างเยอะตัวอย่างอย่างในสาธุรณธรรมที่ท่านว่าให้เดินไปตามบนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วท่านเดินประสบความสําเร็จเราก็เดินตามเส้นทางของทาง่านด้วย แล้วก็ให้ไกลมากที่สุดเท่าที่จะไปได้และส่วนสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเรารับผลรับผลกอบความขยันรับผลของการมีสติรับผลของการมีเมตตารับผลกองการมีความเพียรรับผลของการมีอัตปะอะไรก็ตะไรก็ตามเเราก็ได้สัมผัสผลมีคนอื่นสัมผัสผลก็ได้เห็นเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป ก็ใช้ความเพียรพยายามที่จะรักษาส่งนั้นเอาไว้โดยการพยายามสัมผัสผลสิ่งนั้นเด็กโดยการประทฤติปฏิบัติในลักษณะนี้เราจะเห็นว่าในกลุ่มของของสภาพปัญหาคือกลุ่มทุกขัตรนะสับอะเช่นความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยนะเราไม่จะทำยังไงกับมันนะนะ ก็ทำใจยอมรับความจริงพยายามทำใจยอมรับความจริงอย่าน้อยเข้าถึงความจริงในสามคำที่พระเจ้าทรงใช้บ่อยๆนะเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนาติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วก็เมื่อมันเกิดเผชิญหน้าปัญหา สภาพปัญหาเราด้านปรากฏเด่นชัดก็สามารถปรงตกได้ในอารมณ์ทางหลายว่ามันเป็นขวันอย่างนี้เองแล้วก็ไม่ดีใจหรือไม่เสียใจในความเปลี่ยนแปล ง, งแปรผันของสิ่งเหล่านั้นเพราะจะดีใจหรือเสียใจในสิ่งเหล่านั้นไม่ไม่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการให้เป็นมันจะเป็นอย่างตามที่มันเป็นนั่นเองต้งฟังเท่าไหร แตรร่วมมโพธิาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองามพัยบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูทั่วกันสวัสดี